คนที่มีความสุขครบทุกด้านคือคนที่รักษาศีลมาสะอาดฐาน้าดีแฟนน่ารักอยู่กันดีความคิดอ่านก็ดีไปหมดการถือศีลเพียงอย่างเดียวยังพาไปนิพพานยังไม่ได้เพราะใจยังสามารถเป็นทุกข์ได้อยู่แต่จิตที่ทรงศีล น, นับเป็นสมาธิชนิดหนึ่งคือมีความตั้งมั่นในกุศลธรรมประการได้ว่า ชาตินี้จะไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือที่เดือดเนื้อร้อนใจอยู่ก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงและประกันได้ว่าชาติหน้าจะไปที่สบายหายห่วงหรือไม่ต้องมีชาติหน้าอีกถ้าต่อยอดด้วยการเจริญสติตรงทางในชีวิตคนคนหนึ่งเราต้องเคยรู้จักคนที่มีความสุขครบทุกด้านเลยฐานะอะไรก็ดีมีแฟนก็น่ารักอยู่กันโดยดี แม้กระทั่งความคิดอ่านก็ดีไปหมดรบไปหมดทุกอย่างพวกนี้คือรักษาศีลมาสะอาดนั่นเองส่วนการเป็นคนที่มีศีลไม่ครบทุกข้อสิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือการเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เพอร์เฟไม่จะรับความสุขในทุกๆ ท, ทางอย่างหลายคนที่คุณเคยเห็นสาหรับคนที่ไม่สามารถเถือศีลได้ครบห้าข้อ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 ปกติถ้าคิดจะถือศีลในข้อที่ทำผิดเป็นประจำธรรมชาติจะส่งบททดสอบมาให้ทันทีและมักเป็นเรื่องชินๆอยู่ว่าต้องทำไม่ทำไม่ได้หากคุณฟืนสำเร็จตัดใจว่าเอาชีวิตใหม่เป็นเป้าหมายต้องบุกน้ำลุยไฟแค่ไหนไม่สนนั่นแหละการเปลี่ยนแปลนิสัยทางความคิดที่แท้จริงการรักษาศีล ได้บุญยิ่งกว่าการให้ทรัพย์ยาทานทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลได้ชื่อว่าเป็นมหาทานเพราะทำให้สัตว์โลกเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขของเรารอดพ้นจากภัยอันตรายอันเกิดจากน้ำมือของเราโอกาสที่คนคนหนึ่งจะรักษาศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ครบชั่วชีวิตไม่ใช่เรื่องง่า ย, ายแต่ถ้าใครตั้งใจเอาจิงว่ายอมตายดีกว่าผิดศีล มันก็ต้องทำได้จนได้แหละเรื่องยากคือเรื่องที่ทำได้แต่ต้องอาศัยกำลังใจที่ยิ่งใหญ่เกินมนุษย์ธรรมดานะครับ